จะนอนอยู่ด้วยกันจะไปที่ไหนจะไปอยู่ด้วยกันจะทาดีจะรู้อยู่ด้วยกันจะทําชั่วก็รู้อยู่ด้วยกันจะให้ใครอื่นมาสอนเรามากเกินกว่าเราไปแล้วอัตโนโจอพยจ ต, ตังเียงเตือนตนด้วยตนเองสมมุติว่าพระพุทธเจ้มอบทิ่งทั้งหมดในตัวของเรานี้ให้เราดืเองมันถึงจะชัดมันถึงจะแจ้งชัด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 ดังนั้นความดีและความชั่วทั้งหลายนั้นจึงไม่มีที่ลักเมื่อเรามีสติอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกอยู่เราสังรมอยู่เสมอแล้วจึงไม่มีที่ลับวะโหธรรมโมที่ลับไม่มีในโลกก็มันเป็นอย่างนี้เพราะตัวเราก็อยู่กับเราอย่างนั้นพระองค์จันจึงสอนว่าให้เราคกำชับตัวเราเองสมกับทันบ่าววันเือนร่วงไปร่วงไปบันนี้เราทํำอะไรอยู่ ที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะั่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือไม่ถูกต้องดุญหรู้บาปดีหรือชั่วติดยรืถูกนั้นเมื่อเรามีสติอยู่เราต้องรูจ้จักไม่ต้องฉานตอนอื่นนี่แต่เนื่อนั้ น, นจึงว่าให้ เ, เราเป็นพยานของเราเองเกี่ยวกับชีพคูโตตนเองเป็นพยานของตอนตนนี้แหละมันเป็นพยานของตอนอย่างแน่นอนถ้าเราพิดนาเรื่องตระเลงอยู่ในธรรมะแล้ว เราจะไมันมีอะไรจะผิดแต่น้อยถึงไหนบ่าเราทําดีอยู่เขาว่าเราทําไม่ดีก็สบายถ้าว่าเราเห็นเราทําดีอยู่เราทําชั่วอยู่เขาว่าเราดีเราก็ไม่สบายถ้าความชั่วมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจึิงเอาตัวเองเป็นพยานของตนเป็นสกีปูโตเอาตัวเองเป็นพยานของต้นอันนี้พระพุทธเจ้าเราทรง กำชับให้พวกเราพิจารณาตนเองเสมอถารามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ก็รู้ตัวทุกวิญาบธเพราะตัวเรามันจะอยู่กับเราเรานั่งเราก็รู้จักเราเดินเราก็รู้จักเรานอนเราก็รู้จักเราคิดผิดคิดถูกมันรู้ทั้งนั้นแหละนี่จะนั่นโอวาดทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าต่างเช่ให้มอบให้พวกเราเป็นมาอัตจโนโจ้ทยัตจันนังจึงเตือนต้น เมื่อเรามีสติแล้วเราต้องเห็นตน เ, เห็นตนแล้วมันบกต้องตรงไหนสมมุติกับพัฒนาบ้านเมืองครับถ้าเห็นความบกต้องแต่พัฒนาได้ถ้าเห็นความบกต้องแต่พัฒนาไม่ได้การทํ า, ทาเพียนธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มันตันแต่คือตัวการพัฒนาพัฒนาเด็กตัวเองพัฒนาใจพัฒนาวาจา พัฒนาจิตใจเมื่อเราเห็นเราท่องอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้จากพัฒนาถ้าเราไม่เห็นเราบัามันท่องตรงไหนการพัฒนามันจะพัฒนาไม่ได้การประพฤติปฏิบัติที่คือมันต้องฉันนั้นถ้าเราเห็นความเชั่วของเราที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติใต้ที่นั้นดกต้องที่ไหนเราก็ต้องท่งที่นั่นมันยาวตรงไหนเราก็ต่อตรงนั้น มันยาวตรงไหนแล้วก็ตัดตรงนั้นมันสั้นที่ไหนแล้วก็ต่อที่นั้นมันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาให้มิตรนั่นที่ญาติโยมทั้งหลายนี้หมาหนี้ก็ได้นามาเป็นผู้แบ่งบุญเป็นผู้แสวงบุญชือหาบุญให้ทําความเข้าใจให้แยบภายว่าบุญมันอยู่ที่ไหนว่าบุญนั้นมันเป็นอย่างไร เราสเสแสร้งหาอย่างมานี่อย่างข้ามหาบนทันนํามานี่เดี๋ยวมาสเสแสวงหาบุญบุญนั้นมันมีอยู่ทุกแห่งนั่นแหละแต่ว่าให้เราสแสรงหาว่าอะไรมันเป็นบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรที่เดี๋ยวเรามาแสวงหาบุญบุญนั้นตามบริจาคทานทั้งหลายนี้ตามกําลังทรัพย์กำลังปัญญาของเราอันนี้ก็เป็นการบริจาคอันหนึ่งเพื่อ ทัมระไอความเห็นแก่ตนมันให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงน้อยลงมันน้อยลงบรรเทาลงถ้าความเห็นแก่ตนมันมันน้อยลงกลุ่มชนเราสลายก็สบายขึ้นให้มันน้อยลงน้อยลงจนกว่าที่มันน้อยที่สุดกลุ่มชนเราจะสบายขึ้นจนกว่าว่าไอความเห็นแก่ตัวนี้มันหมดไปมันจะจดทางพระของเราเป็นพระอริยะบุคคล พระอริยบุคคลเมื่อก็ับพากันออกไปจาก5าตศกความเดียด้อนทุกทุกคนก็มีคนมีปัญญามีคนมีสวิมีอริยธรรมเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นก็พท้องการทําที่สบายใายสบายจิตกันนั้นอันนี้กับฉันใดฉันนั้นที่แสดงบุญบุญนด้นอยู่กันง่ายๆก็คือไ้ความดีที่ไม่มีโทษความสบายที่ไม่มีโทษนั่นเองที่เรียกบุญ บุญนั่นที่เรามาแสดงบุญนั่นให้บุญติดตามเราไปอย่าเอาบุญมาทิ้งไว้วัดต่อนอกนี้มาสร้างวัดแต่หลวงพ่อแด้เบุญอยู่นี่ดีใจให้เอาบุญไปด้วยถ้าไม่เอาบุญไปด้วยไปถึงบ้านมันจะถูกอารมณ์ที่ไม่ดีเหมือนกันหน้างอไปดิกเก่าๆมาันนั่ะถ้าเอาบุญไปด้วยมันไม่งอหรอกบุนติดตามแต่เราด้จากบุญจากบาปเนะี่ยเรานั่งเรกลบับไปบ้านเนาะ กอารมณ์อะต่างๆมันก็ยึดบุญไว้ถ้ า, าบุนที่งหนยวัดป่าธรรมชาติบุญทิ่งหน่วัดต่อ น, นอกนี้มันจะตามไม่ทันเนี่ยฉะนั้นมาแสดงบุญเมื่อมีบุญอบุญในท่ทใจบุญอยู่ที่ใจนะั่นแหะมันเลิศไอ้บุญยู่ที่ใจนะั่นแหละมันประเสริฐมากทีเดียวเราก็มีสติเราก็มีสัมปัญญะมีปัญญารวมอยู่ที่ใจ ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้มีสติแต่ถ้าจิตเป็นอยู่อย่างนั้นตัวเดียวว่ามันเกิดบุญนั่งอยู่มันก็เป็นบุ้นนอนก็เป็นบุญไอ้ความคิดที่ถูกต้องตรงไหนมันเป็นบุญที่นั้นไอ้แา่นั้นเมื่อทําบุญไปไปถึงบ้านเราก็ได้บุญอยู่สบายจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายที่ไหนมันก็สบายเพราะสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้ว สัมมาทิฏฐิปัญญาไอ้มันชอบมันเป็นต้นของมรรคทั้งหลายมันถูกต้องแล้วเมื่อมันถูกต้องแล้วมันก็อืมยังก็ต่อทางกับมันมันจะระบายความชั่วออกไปได้ดีไปอืมไอ้ความเบามันก็เบาขึ้นมาไอ้ความมืดมันก็หายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นมาเมันก็ถึงจะบุญเมื่อเป็นบุญแล้วมันก็สงบ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 เอ้ความจริงๆมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนลตอนถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีบุญอยู่เราจะรู้จักว่าเอออารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตนี้มันต่อเป็นจิตมันคนในอย่างกันถ้าเราดูจากแยกมันอย่างนี้นะเราจะรู้จากสิ่งที่มันสงบในจิตของเจ้าของเมื่อจิตมันสงบเกี่ในจิตของเจ้าของนั่นน่ะเรียกว่าเอาบุญไปด้วยไปที่ไหนก็เอาบุญไปด้วยถึงแม้จะเป็นเจ็บถึงแม้จะเป็นไข้ก็ยังอาศัยบุญนั่นมีความสงบระงับอยู่ อันนี้เป็นโอวาท ธ, ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อในวันนี้ไดเอามาใสจิสันฐานตับชาวเมืองกรุงเทพเรานี่พ่ะมหาคุณาธ์มาเยี่ยมกลกบไว้ในถวายบริจาคสิ่งของเป็นบางสิ่งบางอย่างครสมควรแล้วบัด น, นี้เป็นเวลาอันที่สมควรถ้าจะพูดไปมันก็ว่ามพูดใส่อากามันมีจบหล ตอนนั้นเกลัวอ <earning S 1> ย <AUDIENCE S 1> all, appeared, er ่างมันจบเงอยู่ที่ใจกันแล้วดูจากติดจากอกดูจากบาปจาบเวนแล้วก็พอแล้วท่านสอนมาจับอย่าเพื่อโดยความอยากอย่าคิดโดยความอยากอย่ากระทำโดยความอยากนี่มันนอยากอยากถึงนั้นให้เูยจากความอยากอันนี้ในทางความอยากไม่ตางปารธนาเราจะทุกข์เกิอะไรไม่ใช่ม่นางที่หลักทุกข์ทานให้พิจารณาให้มันไเรื่องอย่างนี้ อืเรื่องสมถะมันเรื่องสงบปรียสราว์ตรงนั้นเนี่ยสงบเป็นฐานทั้งวิปัสนาวิปัสนาก็คือความมันลูกแจ้งมันรู้เรื่องอะไรเกี่ยงแคบขึ้นกว่าเก่ามันก็เป็นวิปัสนาใช่เ่ไปสงบเฉยๆอันที่นี่เสียงมันมากอนี้ไปอยู่ในป่าที่มันมีเสียงเนี่ยอืมนที่นี่มันลูกมาก นี่ไปอยู่ในตานะั่นที่มันไม่เคยมีลูกเนะ่มันไม่เห็นลูกมันไม่ยินเสียมันก็สงบสงบมาดนั้นน่ยมันแค่ผ้ากระเทียเราเป็นแผลมันเป็นแผลเหย็ดแผลมันใ อ, อายาปิดกระไปานะบาบแผลมันหายสนิดแต่ทำไงมันยังอยู่นี่ น, น, นั่นก็อักเสบขึ้นมาอีกผาตัดอีกแล้วนี่เข้าใจไหอืม ไปเหยดอีกไปยาอีกปขาดแผลแล้วมันสนิทอีกสบายแต่ข้างในมันอับเสบอีกแล้วมันไม่สนิทนี่เรียกว่าสมมติฐนวิปปัตนาน ะ, ะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแผลตาวันนั้นนะต้องควกเนื้อร้ายมันออกซะก่อนให้มันดีมันจะทั้นในนู้นอย่าไปเหยียดกั้มมันเลยให้มันดีซะก่อนอยาสาเพิจมัน เอาใจคิดยา้มันดีมันจะทั้งในมาฮทันนอกพอทัางนอกดีพักทั้งในก็ดีแล้วมันก็ดีอันนี้ก็มันไม่ก็ไม่อัเจบอีกนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนากับสมถตา น, นี่ของมันการสมาสานี้สงบเท่า น, นั้นสงบปราดแผลมันนั่นแต่ทัางในมันอีกไม่งั้นอัเจบเปนใหม่คือมัน ไ, ไม่กันนานเพราะนั้นบางทีมันก็สงบ อยู่แล้วีกมันต้องทำไม่สงบแล้วมันอาเสด็จขึ้นมาอีกเล่นเพราะอะไรเนื่อรายมันมีงอยู่เพาปัญญายังไม่สุดไอความสงบวันนี้สงบเพื่อสมถะมันไม่สงบด้วยปัญญาความเหม็นต า, า, า, ามาเป็นจริงเมื่อความสงบตามเป็นจริงเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องดับตาเนี่ยรู้จากว่าเออลิงมันเป็นอย่างไงเนี่ยเราเห็นลิงตัวนี้มันกัตัวอื่นๆแล้วก็เห็นเหมือนกันรูร้จากลิงตัวเดียวเนี่ยมันสงบไม่ได้ เราเห็นมันเอื่อยมันเรืองดีมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะเรียนไปยิงหนึ่งตัวพันตัวมันก็เป็นลักษณะอันนี้นิงตัวอื่นที่เรายังไม่เห็นมันก็เป็นอย่างนี้เราเห็นดินตัวเดียวนี่ก็เห็นเหมือนเห็นหมดทุกตัวดีนี่ยมจะสบายไหมเนี่ยเห็นดินตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นเห็นดินตัวไหนก็เป็นอย่างนั้นดูจากอย่างนั้นเห็นตัวเรียกก็เห็นเห็นหมดทุกตัวอะไรอันนี้นมันปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนั้น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 ยังคนมีความรู้ทุกวันมีนเป็นมันรู้แบบปัญญามันรู้แบบความคิดค้นหาอืมันไม่ชัดเจนมารู้จากอะไรมันผิดก็รู้อยู่แต่วรู้จริงๆรู้ทษเพรามันจริงๆริงว่าไมไปทําผิดอยู่เท่านั้นเนี่ยอันนี้เราไปทําอยู่เปกเปือกมันเท่านั้นเนี่ยนี่ว่าความสงบมันแค่ไหนตอนนี้เป็นวันแอมฉันสบายดี ใครพอไม่เสียงอดียวควรเลยมีรูปลบควรเลยไปมัง ค, คิดไหมบวดมานี่ฉันไม่อยู่แล้วพระโพนี่อยู่โ น, น่ น, น, น, นอยู่คนไม่มีเลยนี่ยอยู่ไกลๆบ้านนี่ยต่ น, นุ่ก็งเเดียนมันอยู่ใกลบ้านมันหมดยังก็ต้องดได้จะคิดได้จะคิดอยู่ที่นี่คิดเปกก็นกระโงก แ, แล้วคิดเป็นกงเทพอยมันจะใช่เวลามากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ลองดูที่ มันกรุงเทพมันไกลเนี่นี่แม่ประพงษ์เนี่ยมันใกล้เนี่ยน่าจะคิดคิดเดียวใส่มันอืให้มันรู้จับน่ะกรุงเทพมันเอ้มันให้มันหลายจมวงมันเน่ะมันกรับมีเรียกเท่านี้เนี่ยกรุงเทพที่เราเคยเห็นก็อยู่อะไรมันไกลอะไรมันใกล้มันไม่มีไกลมีใกล้รแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ดูที่ขณะจิตมันเร็วเนี่ยอันนี้เราไม่คนคิดแล้วไม่พิจะดรนากันเห็นไปว่ามันเป็นอย่างนั้นอืม มันตกคิดในมันรอบสิ <S 2> <S 2> <S uit, uit ่งทั้งหลายเหล่านี้เหนื่อยมันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรลองถามมันดูดิม้ำสุกชุดเพราะอะไรถามมันดูสิมันเพราะอันนั้นเอออันนั้นมันก็ไม่แน่เราอมันไปเชื่อมันมันเลยทุกข์เพราะอันนั้นเอออันนั้นมันก็ไม่แน่อย่าไปเชื่อมันมันไม่แก่ไปเชื่อมันมันทุกอย่างมี่ปฏิบัติเป็นการปล่อยวางนี่คิดมันก็สงบขึ้นมาเอเออทางนี้ไงนีม ตั้งทางตั้งเทศตั้งแคนี้ไปไม่แหลกแต่ไปที่บัดไปเจอมันไม่หนดหรอกพวกเราไม่ทํากันไงก็ม่รู้เพรามัจะตายจะตายบาดซึมภูเขาอยู่ตามนี้ผมนั่งหัวเราะอยู่มันไปตายกันมันตั้งใจความสงบอยู่ภูเขาเนี่ยมันเกิดความสงบอยู่ในต่ามันตั้งใจอย่างนั้นอความสงบมันอยู่ที่มีความเห็นชอบมันไม่เห็นนี่ กัญยาเห็นชอบมันไม่ได้จักแล้วหาหาแต่มันก็ไม่พบหรอกมันมาพบที่มันเห็นชอบมันจริงจะพบมันก็เป็นเหตุให้หามันกันใช่ไห ม, มันไปหาดูสิไปหาอยู่ทุ่เขาหาอยู่ปา่าถ้าไม่เห็นชอบหมดแล้วมันก็สงบแล้วแล้วตอนนี้แค่นั้นแหละมากจักนั่นใจพระยูไนเราเคยอ่านอานามาโภวะมาอ่านดูดิ ธรรมะไปอยู่นั่นแหละที่ไม้ไปอยู่นั่นแหละยถ้าไปขึ้นสิ่งตั้งหลายแล้วนี่เนี่ยในกล่องรักษาที่ไม้แหละแต่เสียท่านจะไปเอาที่ไหนเข้าไปเถอะไม่ไม่อย่างยืนครับเฮออ้จะเ ป, นเ ป, นกกเปน็นไม้กับเป็นไม้ติดต่อเอาไม่มีมันมีอายุไม่มีนรกแต่ตัวเม็ดมันไปเพาะเอาเอามาปลูกสักงเม็ดมันเห็นไหมีรากแก้วยาวนะมันไม่โค่นง่ายไม่ตายง่ายจะเอาอย่างานัน ใหม่ๆแล้วนี้ก็เรี่อยๆชอบคิดอย่างน้ต้นไม้กี่ไปต่ อ, อเป็นลูกเยอะง่ายเป็นไปหลายลูกแล่เป็นไปโทษอีกไซส์ง่ายเราควรคิดในมันรอบครอบอย่างนี้ในี้เราเคยมาเห็นนี่มันจะเห็อย่างนี้วันสองวันพระพิจกจ้ายางไงหกปีงัน้นพระพุทาจะมาตร้งบารมีมาี่ชาตเด่น หกปีมันจะเป็นแบบจะรู้ไหมเราทันตั้งกี่ปีมาแล้วทำไมเออเหมือนขนาดนั้นเราขายผักขายหญ้ามาอยู่กี่ปีกี่เรือนเลยแคะมันนั่นจะไม่เรื่อมันสงบมัเป็นไปได้เงีหยพอดีไปวัดดูเลยไปบวกกันดิ แล้วตานนักศึกษาชอบเป็นเน้นเนี่ยแหม่มานั่งเห็นวัีเด็กมานั่งเห็นวัสมบเร็วนั้นเนี่ยโอ้ยไปนั่งตรงไหนถึงนั้นนั่งกองไฟเลยเี่ยนั่งคิดไปน่นคิดเอาบ้านคิดเอาเมืองคิดเอาอะไรอะไรได้หลายอย่างเลยเนี่ยแกแกทำมันสงบเร็วๆอยากจะไปอย่างนี้ฉันไม่อยากยู่แล้วเออสต่ราเมื่ก็คิดกันอย่างนั้นเนี่ย ใบไตนามาก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นอ้ามันไม่สงบอย่างนี้ตองสงบตอนสงบไม่ยากอืพระพุทธองค์พระองค์หรือท่านทำอะไรยังไงนะมันมีจิตีจิตเวียนมาแล้วมันเป็นผลมามันไตแต่มันเป็นไตมันก็เป็นตรงไหนมันจะเป็นไตมันเล็กมันเป็นตัวเล็กตรงนั้นตัวเดียวกันเน่ยมันที่มันตายตัวไปตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นเพอย่างนั้น ถ้าราไปคูณอะไรนั้นมากก็ไปมันยิ่งลาบากปฏิบัตอนนอิอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากไปหมดไงแม้ว่านี่จะตรวจ ด, ดูศีลนะมันช่องตรงนั้นวาศีลผ่อไหนน้องอย่างไม่ใช่ไปไปเพ่อนอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นมันก็ช่องดีจิตใจของเรานาะอไอความบริสุทธิ์ที่จิตใจของเรามีกายก็จิตเท่านี้ศีลทั้งหมดมีกายก็จิตเท่านี้เออที น, นี้บางทีว่าฉันจะรักษาศีลก่อน อีกต่อไปจะปีหน้าจะทำสมาธิ อ, อ, อีกปีที่สามจะทำปัญญานี่โดยมากคนนรมาคิดเป็ น, นี้ถ้ามีศีลก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญาถ้ารวงถึงมันมีปัญญาแล้วก่อนมันจึงมีศีลมันจึงมีสมาธิตามเรื่องมันบนลอดกันอีกอย่างนี้ ถ้าแยกมันเป็นศีลมันเป็นสมาธิเป็นกัญญานะทีนี้เมื่อเราจับขึ้นมาเนี่ยเจ็จะทําสมาธิตรงนี้นะอย่างไม่เสรไม่ไปหยิบต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเนี่ย้นต่างๆมันอยู่ไหนมันก็ติตามมันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่สอ้โซนไม่ไปหยิบต่างๆมันขึ้นมาแล้วอย่างไอ้ต่างๆที่มันสงบมันตัสงบเมื่อมันสงบเลยมันก็ไห่กังวลไอ้ความที่ไม่กังวลตพรงมันไม่ผิดกาไม่ผิดมาจากอเราเนี่ย มันจะขึ้นมาเองก็มาแล้วปัญญามันก็มีเมื่อกิจสงบแล้วมันก็มีปัญญามีปัญญามันก็มีศีลมีศีลมีสมาธิมันวนรอบต่อๆกันไปเรด้วยๆมันเป็นไปเพื่อถึกันเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งอันนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นด้วยความรู้สึกคิดของเราเมื่อกิจเป็นสมาธิมีคณะเดียวฉะนั้นอมีคณะเดียวมีคณะมือเดียวฉะนั้น ดูในทั้งสุตธการของเราเน่ะบางทีพระองค์ท่านทรงเทศนาอยู่พระทิุเดินเข้ามาเห็นพระยาบแดดพักๆๆกันน่นเป็นสมาธิเลยเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นก็ได้จะไปสร้างถิ่นผิดตรงไหนไปสร้างสมาธิตรงไหนไปสร้างปัญญาตรงไหนเเมื่อถิ่สมาธิปัญญามันรวมเป็นสมาธิอันเดียวกันเป็นหนึ่งนั่นจะเป็นเอโกธรรมโอเดตกานปฏิบัติธรรมเนี่ยี่การปฏิบัติธรรม พูดง่ายเดียกันปฏิบัติธรรมนะไม่เห็นอะไรมันเป็นธรรมแต่นี้ที่ก็ต้องต้องส้งเขียนไว้อืเป็นหลักการเป็นวิชาการจะต้องตามเป็นศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนนศีลทั้งหลายนะั้นมันก็ออกจากตายวาจาจิตทั้งหมดวาจาที่ออกจากจิตกายก็ออกจากจิตเนี่ยเนี่ยเพรามันจิตตัวเดียวแต่ปุกจิตตัวเดียวถึงก็เป็นไปของมันเท่านั้น พูัท่านๆก็ไปก็เดียวจิตมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าจิตมันเป็นตายเป็นบาจาเป็นพยานถ้าจิตไม่ดีพูดจะพูดไม่ดีมันบอกเองมันนะ่ถ้าจิตมันดีมันก็พูดดีอะไรดีทําอะไรดีเช้นนั้นมันจะต้องไปตามพูดเพรานั้นเป็นแนวทางที่เจอ อ, อันนี้เป็นลักษณ ะ, ะเป็นลักษณะการออานกคน อไอ ม, มาจากไหนยล่ะอือคือผมมาใ น, นมาตรการของอเก<อ>ิดที่จัาหวัดสกลนครค้าวเกาีข้าวผู้สูง <c oughs> ันเดทย์เนี่อปีสองนห้าสิบด้วยกปรสิบสีสิบห้าไปอยู่ใน แล้วประกราศสนามในระหว่างสงครามแล้ ว, ลลวก็เลิกสงครามแล้วผมก็มาเป็นข้าทํางานที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแพทย์ประจาเมืเงแล้วทานหลังก็วผมก็ถูกย้ายมาเป็นอนมามัยจังหวัดเลยในปี2599มาอยู่ไใน3ตีตี 2,000 ถ้ารอยจับริยายจากที่นี่เข้าพิเศแล้วก็ตามหลังก็ได้อปเป็นเชื้อเทศิงทีเป็นรามาีิบูดีคุณอนามัยถ้าเป็นแรงพกักกกงโซลตาแั้งสุดแล้วก็ได้ไปทำงานที่องค์การอนามัยโลกที่ประเทศอินเดียครับ เจ็ดีคึ่าจนกระังเกียณอายุในปีนี้อายุปกสิบสีส่วนภรรยานั้นก็อยูนที่กรุเทส่วนนอาบนี<_<_้ก็ทามที่ผมเป็นอนามัยครับชอบตรียนเก่เด็กักเรียนอยู่นักเรียนมัธยมศึกษาปีทีบหกมัธปลยนันอะไรหลังเขาก็ไปเรียนพนักงานอามัย เากลับมาก็ปรสาวสุดอีกครั้งหนึ่งก็มประจักรถึงถอว่าเป็นลกเพราะว่าตอมนั้นก็ลูกผมก็มีสงคนแทกก็มีสองคนพู้ชายคนหนึ่งคนแล้วไมเขากัตแล้วู้ีชายก็รในการกลับมาผมก็อยากจะมานมัสการหงพ่อหลายครังแต่ไม่มีโอกาส บางท่านี <mister isation> ้ไปเรียนก่อนนการเออไปทกอิดียหทบลึกสิบยี่เียะกบผมไปต่อตามที่ที่อนดี้นี่ตามที่มอมอะไรกันร้ามือของคุณพิจนา ไม่ทราบหลงพ่อไปตายหรปล่าเลยนอนไม่ขึ้นผมไม่ทราบหลวงพอไปตหรือตายหรือเปล่านอนได้ยัไงครับมีการช่วยในการขอนชุดนั่งหลวงพ่อไปตายหรือที่อืเดียวอะไรยังมีต้นศีลไปครับการช่วยในการขอนชุดนั่งไม่ยอ อต่มานม่ไดไปทั้ไปตานุ่งปต่างภูมนดอนไปต่างสหรัฐเนี่ยไปแคนาดาอินเดียเขาจะมีมูนเยอะยังไงมีลายที่จะไปที่จะไม่ได้ไปตัวเนี่ยก็ที่อินเดียนี่จะผมจะพระยาจะเคยไปที่สถานทางวยญญาณสถานศีลเนี่ยลุ้มขึ้นเลยแล้วก็ที่แบรกะตีพุทธคยา มีปฐมเทศนาที่สาาร น, า น, นาเประ เ, นเดนความเกิุิะเป็นเงินระเด็นในรูปแบบนี้เหรอคนธรรมดาไม่สามารถจะทำได้เเป็นทีน่ะสำรวสันเกตนะแต่ทาที่อยู่มสมาธิ่อาค่คันดีสมาธิเอ มันจะ เ, เ, เอาอย่างนั้นอย่างนี้มตนอ็มาอย่างนี้มันต้องเดินไปถึงกรุงเทพก่อนที่เออกรุงเทพมันเป็นงนี้อย่าไปถึงเสียแค่โคราชถึงแม้จะมาอยู่โคราชตายปก็ถึงกรุงเทพก่อนเถอะเมื่อไปอยู่กรุงเทพมันจะเห็นเออเมืองโคราชจะเรียนแค่นั้นนี่ให้ไปถึงเมืองกรุงเทพก่อนแต่แล้วก็ผ่านเวิรด้วยผ่านโคราชด้วยผ่านกรุงเทพด้วยคือเรืยอว่าสมาธิเนี่ย ขันนีกัสมาธิอัปปนาสมาธิมันถึงที่มันให้มันถึงที่มันก็์จัอัปปนาสมาธินั่นจริงจะรู้จักโครรู้จักโครของสมาธิเล่ามันเป็นอย่างไรอัปปนาสมาธินี่ก็มากก่อุจจาระอจะมันเที่ยบไปเที่ยวมาตอนนี้ไปเที่ยวไป <laughs> ไปมาโอ้ไปจระสมาธิ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 ณิกาสมาธิอภิจาสมาธิทิ้งไปหมดแต่ไปน้นตรงนี้มันข้นจากสิ่งทั้งหลายนี่แปว่ามันเป็นผลของคณิกาสมาธิเลยนะมันเป็นผลของอภิจลเลยนะมันึงตนไปถึงโู้นไม่ต้องผ่านนี่ถ้าไม่ผ่านนี่ไม่เข้าถึงโน้นอันนี้แล่จากคนแล่จากคนแล่จปัญญาจนทำไมจะรู้ว่าถึงถึงา ปการักปรักมาที้นนีอยู่ในระหว่างอันนี้โอโออันน้อันนั้นอันทราบไมมยากทราบยากอันนั้นมันต้องอยประมาห้ฟังอย่างหนึ่งนะอย่างผลไม้ผลหนึ่งนะเดินออกมาถวายอัตมาเนี่ยนะรสผลไม้อัตมาว่ามันมันมันหวานอัตมากรู้จักนะมันหอมอัตมากรู้จักรู้จักทุกอย่างแล้ว แต่ว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้จักชื่อของผลไม้คือผลอะไรคราวนีน้อันนี้คุณสำกันอันนั้นมันเป็นของจาเป็นเนาะถ้าเรารู้จักกับผลนี่ชื่ อ, อ น, นั้นมันก็ไม่เพิ่มเพิ่มความหวานถึงไม่มันไม่เพิ่มความมันถึงไม่อีก่แล้มันประโยชน์แค่นั้นค่ะอันนั้นเอาไว้ตรงที่ว่าถึงจะเหตุที่จะควรรู้ถึงรู้แต่ในเรื่องชื่อของมันไม่เป็นอะไร รถของมันทุกชนิดลูบมันแล้วก็เรียกว่ามันกรำขามันจำสองขาแล้วมันจะไปทไหนขอมันไปเลยน่ะอย่างนี้นะอจะเป็นชื่อของแอปเปิ้ลหรือชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะรถมันะรูบเรื่องมันแล้วก็ไม่จําเป็นทรายถ้ามีใครมาบอกก็รับไว้รับไว้แต่ถ้ามีใครมาบอกก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะเพราะรถของมันรู้เรื่องมันหมดแล้ว เพราะมันมีความดึงที่จะให้ถึงอนองสไัญญาได้่งมีาปัญญาไ่ไมใช่มีปัานันะไ อ, อ้เครื่องอุ ป, ปรกรณ์ของที่จะเกิดปัญญาอันนี้มันพอแล้วไม่ต้องเอาสมาธิทั้งหลายเรานี่ไปใช้อย่างอื่น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 เราจะมาค้นสิงทั้งหลายฮรู้เท่าตามเปเก่งออมันแ่านี้เองเนี่ยมาเป็นมันมันอย่างนี้เองมันท่านี้เองเมื่อมนเป็นเช่นมันถอประทานมาเทนั้นเนี่ยที่เขาไปยึดมั่นถือนั่นว่าเม้อันั้นหมายเรารักมันที่สุดนีอันั้นปฏิกลียามันที่สุดอย่างนี้มันก็ถอนองมากนันแ่ว่ถอนรูปทานนี่มันจะถอนจะยาให้ถ้าไม่ไม่ไม่ไม่ลดการหากมันก็ยไม่ตงยดการปฏิบัติมันลดมันเองเมื่อไปเห็นมันดูจากโลก ย่างไฟเนี่ยไปจับมันร้อนมันบ้างเองแล้วอยังเด็กเนีมันมันนี้เพี้ยนเลยนะมันไม่รู้จับกับไฟมันก็เข้าไปใกล้ทุกทีทัวทีมันมันแบบมันเป็นท้องดีมันรู้จักรอดตรงมันอีกวันหนึ่งล้วปล่อยเด็กไปดึงขามันมันก็ร้องไห้บ้านหนึ่งก็ปล่อยตอนนี้มันกำไฟเต็มทีแต่โอ้ร้อนร้องไห้เลยบ้านหลังไปเจอเพียนขึ้นเด็กปล่อยเด็กก็ไปทีมันจะเข้าไปไหมมันกลัวเนี่ยมันดู้่ะเนี่ยมันเห็นแตงโมวาเนี่มันไม่มือมันเนี่ย บันนีมันไม่เล่นเนะ่ความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้สบายมันเป็นไเองของมันมันเป็นใบสิงกันไปกันอันนั้นการตอัตโนมัตินะไม่จำเป็นช่วยละันแลไม่จ็นช่วยละมันคือความรู้จักอันนั้นมันมันอยู่ในตัวของมันแล้วคูยไปง่ายจะไปอย่างน้ะทานข้าวเราทำมาเราจรู้จักกับเราเองเนาะเอากันอย่างนี้ซะ ให้ไปบอกเราอย่างนี้ซะ น, น, น, น, นี่มี่ศึกกันใช่ไีมมันน่ายนีเออตอนี้ถ้าพร้อมไม่ได้รับการแนะนํะ้ากสามันอาจจะไม่ไก็เป็นบ้างอันนี้ก็เป็นบ้างเช่นว่าไปถึงอุเทศแล้วเนี่ยเราไม่ทราบสมมติไม่เคยไปหรือ<ล>ไปโคราชนะถ้ามันใครบอกก้ต่อนอาจจะไปถึงอุเทศไปโค ร, ราชหลายครั้งใช่เวลานา น, าน ใ, ชใช่เวลานานฉ น, นั้นแด็กู คู่คนที่ดีมาใครแนะนำเมือม่อนำเมื่อเข้าใจเร็วมันก็เร็วนะบางคนก็แนะนําเข้าใจยากมันก็ยากด้วเหมือนกันตรงนี้อือันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งในร้อยรุ่งในพันแก็ว่าไดนะ้นะตรงนี้นะไม่มีใครสอนผู้เ อ, เองเนี่ยฉลาดเองเนี่มันน้อยเข้าใจไหมก็ต้องมีครูชี้อ น, นุณอัน น, น, นี้อันนี้ให้ความฉลาดเพิ่มเติมกันมาแล้วก็อาปัญญาเจะของเพิ่มเขาอยู่รวมกันไป รวมกันไปนะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องจะต้องมีครูสอนจนจะมีใครเนี่ยถ้าไม่มีใครเนี่ยมันไปยากมันช้าอย่างนี้ที่มีอะไรวาที่จุดอาการเนี่ยหลวงพ่อ น, นี่ยได้ทำแบบนี้มากมี ทำไปคือทำไปไม่ต้องบังคับผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระก็มีดินมาฟังไปเรื่อยกันนี่แหละใครเข้าใจขนาดไหนก็ไปทํามาเถอะเท่านั้นไม่ได้ห้ามอืมแต่กมีคนสนใจแล้วก็มีคนทําอืมทําจนกระดิเดียมันบางก็มีแต่ว่ามันบางขนาดไห น, น ก, ก็ช่างมันเถอะมันไม่หนักอย่างเก่าเหรือ <c oughs> เราตรงไปชั่งอมันออกไปกี่กิโลเราจะไปชั่งมันเนอะมันเบาจะหน่อยเดยวก็เอาเยอะทำให้มันเบาเรื่อยๆไปแล้วเมื่อไรมันจนหมดหนักก็ให้มันรู้จักเออมันหมดแล้วก็รู้จักอย่างนี้มันรู้จักเนอะปัจจตเตมเบติตะโภวินตุจิยินอยู่ชนรู้เฉพาะตัวเองอ่าแต่ผมยังเป็นห่วงอีกอันหนึ่งครับผมรู้สว่าสมัยนี่มันมันมีไอ้ท่าก็ว่าถึงขึ้มันเป็น โดยจะเกลียดมากขึ้นนะครับขึ้นมาคนก็โลอกมากขึ้นโกงมากขึ้นอะรักขโมายก็มากขึ้นทําร้ายกันมากขึ้นกินเหล้าเมายาก็มากขึ้นในวัดในร้านก็กินอะไรต่างๆทำรู้สึกว่ามันมันมากประกาศแล้วอันนี้แหละแตมาทํามันถึงวิ่งดีให้มันคนเจเรมากๆทํามันจะวิ่งดีเเ ม, ม, มันจะเห็นโทษง่ายมันจะกินยาตายง่ายมันจะยิงกันง่ายๆมันจะเห็นโทษมันเองนะอือันนี้มันเร็วไง รู้สึกว่าในสมัยนี้ประชาชนสนธรรมะวิ่งกว่าคนธรรมดาแต่ว่าไอความชั่วของคนมันก็ทํายิ่งกว่าคนธรรมดามันวิ่งต่อกันขึ้นไปอานจะมาไม่ดีสุดอันนี้ดีมันดีมันเร็วมันเร็วขึ้นมันเห็นง่ายขึ้นเห็นผลง่าเห็นผลง่ายไอคนเรามันเห็นทำกันมันเห็นมันเห็นขึ้นมามันง่ายมันช้า ให้มันหนาตะเบกอมันนามาแท้ให้มันถิ่นถ้ามันอยู่ในที่มึดมืดให้มันอยู่ถิ่มึดมืดเราฉายไฟกข้ไปในที่มึดมืดเนี่ยมันมีสว่างมากที่สุดพอมันมืดเดือนไม่นง่ายๆจะไปฉายไฟขึ้นดิในกลางแจ้งมันจะเป็นยังไงไหมมันในถนัดทลายให้มันมืดมืดไปฉายไฟกั้ในที่มึดมืดน่ยมันสว่างดีที่สุดจ้ะ ผมก็มกสะผมก็สนใจมากพอทุกคนเลยม่ีาสมองมันการูปอเอาพาเลยเจเท่านี้ก็สนพอแล้วเนี่ยนี้อาพิจารณาเมันไม่หนีจากทางนี้หรอกมันทางนี้ละมันทางนี้ไม่ใช่ทางอื่นละมันมั อันตมาว่ามันสนใจเลยที่คําที่เขาบอกว่าคุณกเกษียณแล้วนี่ก็พอแล้วนะนี่ทําไมแต่ก่อนเขายังไม่กเกษียณเราบัดนี้เขาบอกว่ากเกษียณแล้วกเกษียณนี่หมายความมาอะไรก็รต้องคิดดูทีว่านะ <laughs> มันกเกษียณแล้วต้วองค่อยคิดอยู่เรื่อย อย่างพระอาจารยบอกให้พิจารณาเหมือนกันพระพุทธเจา้าเราเราก็เสียนอนุรยังถ้าก ด, ดินน้ําไปลงความแก่ความเจ็บนี่มันจะเสียมันชั่วยอยู่เรื่อยไอไ อ, ไอเทวะทูตี่มันบอกเราอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันไม่บอกว่าอืมฉันเกษียณเือแล้วไม่บอกอย่างข้าราชการเราไม่ออกหนังสือตรงนั้นแต่ว่าตามันก็ค่ อ, อยๆเป็นของมันไป โอ้หก็ค่อยๆเป็นกองวันไปหลังการก็ค่อยๆเป็นกงไปมันเกียนแต่ก่อนนานแล้วมันตามอยู่เสมอในไม่ไดที่ของมันเนี่ยอาตมาตอเชียงพิจนาคมขืดแก่เก็บตายเพื่อใจมันเห็นแบเกษียณนี่หมายความอะไรสนใจเหะอนี่นี่นี่เกษียณก็ไมถึงอะไรใจมไม่ต้องมาพูดไงอันนี้ไขไม่เคยดีแล้ว เขาลงซ่อมเลยเนาะคงจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะถ้ารถเขาก็เอาเข่าอูแบบนี้อย่างนี้เนาะอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วไอ้คนเราเนี่ยดูไปคำหน้ามันยังไงดูกลับหลังมันข้างในอันไหนมันใกล้กับการไกลกับการไหมเราจะอยู่ยังไงไปอยังไงไหมควรคิดแล้วป่าจุบันนะคนณพิจาราแล้วอืมผลที่สุดพระองค์ พระองค์ของเราต่านกห็นว่าให้ระลึกถึงความตายอย่างเดียวนี่แหละอย่างอื่นจะตามความตัดลวดความสังเกตความอะไรไอะไรแต่ผลมันจะรวมรวมต่อมาทั้งหมดอรวมกัอ ม, ก ม, มาต่อมาเห็นพี่ท่านก็เห็นอ น, นุจังคือของในเที่ย ง, ยงยแล้วยิงอีก็ยิงเห็นชัดอีกแล้วมันไม่เที่ยงมันมันไปอยู่อย่างเก่าอัานนี้มันเปลี่ยนตาของ จ, จ, จิตวิญญมันเปลี่ย น, น มันเปลี่ยนนี่สิแม่เทวดาทูตเรื่องเคล็ดผสมันออกกันนี่มันก็อืมันก็เปลี่ยนแล้วนะจากเราเห็นนะทุกวันนี้มีของตกปิดอีกนะ่ะมียามายอมมันอีกนะกันไม่จะของแก่เลยนะชอบจะโกหกจะของเล่ยไปลอยลมเราเนี่ยนะชอบจะเป็นอย่างนั้น อั น, นั้นมันจะเปิดเผยอีกแล้วนเรื่องความจริงมันจะทำมันจะเปิดเผยแล้วก็ช่วยกันมใหเราเห็นจิดจิดไว้จิใไปกันตัวเองไม่เราเห็นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยมากคือช่ว ย, วย ป, ปิดจะของไว้ไม่ช่ยเปิดเผยจะของตามธรรมชาติตามลักษณะอันนั้นถ้าจะพิจารณากว่าควรแล้วป่านนี้และนะอืมเมืีอะไรก็มาแมนไม่ไกลกันนั่น นี่คเคยทำหรือเป่าใช่นั่งกำหนดจิดตาเคยร่างเหมือนกันแต่ผมก็อาศัยอ่านตัวเองแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่รู้ว่ามันติดของตัวเองเนี่ยมันมีสกำหนดแค่ไหนแล้วเข้าไปลึกถึง เขาิดแว่าตอนนั้ว่าผมจะได้คันละแค่คันนี้ขาดประมาณน้ถึงหรือยนไม่ได้แล้วคไปแค่โอปป้าคณะนั้นเองอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันจะถึงอภานันท์คิดเขาว่าอภินัมันเป็นยังไงอย่าไปถามถึงนู่นเลยเรามันทุกข์ไหมตัวนี้มันบุบบ่ายไหมอย่าไปถามถึงนู่นเลยเออมันแก้ปัญหานี้ได้ไหมหรือมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้อย่าไปเอาถึงนู่นเลยั้นมันไปเมียันหรอก ว่าเราชีวิตเราอยู่ไปทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นอย่างไรไหมมันหนักแไหมมันทุกข์ไหมมันขัดข้องไหมมันขนมัวไหยก็รู้สึกว่ า, วาตัวเองก็อันนี้จะว่าตัวเองก็ไม่เคยจะมีอะไรเท่าไหร่ก็คิดาเราไม่ได้ห่วงอะไรมากเ ครับคิดเลยอยากจะบังเกินตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ามทุกวรอันนี้มันก็ทำให้หายทุกข์ไปบ้างหรืออาจจะเรื่องเด็กให้ามาป็นกังวลว่าจะจะัไต่อไปก็คิดว่ า, ากัลาจน้อยก็น้อยหน่อ<ด>จับจิ้ไม่ได้เนาะอาจจะมาก็เ <j> ค um <an> ิดได้อย่างสิ้นทามันจะไม่ถึงขนาดนั้นกำลังภาวนาอยู่สมัยก่อน ที่น่าเกศาลงมานะคะจันตาสาเจนึมว่าไจะจะไม่ให้มันขัดข้องในเรื่องนี้อีกต่อมาอายุประมาณสักห้าสิบสี่สิบกว่าห้าสิบฟันตรงนี้มันมาหลุดออกโยมมันมาหลุดออกว่าแมมมันยีดตัวขงบนอยู่หลายวันนาโยมนะอาตมาคิดว่าฟันที่อีกนียอาตมาคิดว่ามันเป็นของเป็นธรรมดาของมันนึกว่ามันตกแล้วนะเมื่อมันดลุดออกจริงๆแปลกนาโยมนะ ไปนั่งอยู่กับวิตกไปด้วยแม่เรามันแกแล้วแม่เราเนสามีนครมอยู่ด้เรื่อยๆมันออกชี้เดียวหูมันหลงนี่เลยโอ้โหนะแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นแล้วนะเป็นคนแก่นี่นี่มันแก่ใจไม่เป็นวิ่ต๊ะปมูลอยู่หลายวันนะนี่ไม่แน่เหมือนกันในอันนั้นอันนั้นเราคิดอีกอันหนึ่งนะเมื่อเราจะทิ้งมันจริงๆเนี่ยมันยากนะอาจามาเคยจะไปทรุงว่ไปทุรงเนี่ยมันต้องเอาของในน้อยมันสบายดีเว้ย มันจะไม่ลดลงรังมันจะไม่หนักนะเก็บโนองเก็บนี่ใจจะไปเมื่อจะไปจริงๆเนี่ยบางทีมันอยากเลถึงหมอนเนี่ยถ้าคิดดีเราเช็ดเท้าก็อยากจะเอาไปด้วยนะโยม น, นะกลัวมันจะขาดกลัวมันจะลําบากมีของนอนไปจะใช้มันไปมันจะง่ายเมื่อจะเอาจริงๆมันผูกเราเต็มทีมกันนะ่ะของนิดเดียวแต่เราจะมองเห็นได้แล้วนี่จับไว้จับไว้ เมื่อจะทิ้งจริงๆมันเสียดายนะโยมนะผ้าเสืเมื่ยจะทิ้งมาเสืชุดม้อข้าวก็ยังได้ยิงคนแก่ยิงกรรมจมีเลยนะระวังใดีเถะเมื่อจะเอาจริงๆเด็ดขาดนี่ยากจบไว้ของมตรการแต่ประความงเหง็นจะของได้อันนี้หมายถึงเสวยเสยอ่อนอใช่ความม้ปรกานยังมั่นหมายอยู่ยัง เพะเนยความบางครั้งความเป็นกังวลแนละความไม่พอใจอะไรไม่รบายใจเนี่ยมันก็มีก็มีบ้างเพราะมันเป็นใช่ต่มันมันยากนั่นนะมันยากอยู่ตรงนั้นละ่ะ <c oughs> นั่นแหละตัวสำคันไม่ต้องเฉลิมไปถึงสมาธิขั้นไหนขั้นที่มันเป็นกังวลนี่นะสําคัญไหมกังวลน้อยกังวลมากไหมเนี่ยจะไปถึงอันนู้นอันนู้นเลยยาไม่รู้เพราะมันไมรู้จักเลยมันจะรู้จักตรงนี้ง่ายดีอืมหมายความ บทที่หก็คือต้องให้ละแ้ซะก่อนอืมอืมม่ใช่ดีๆก็จละได้ต้องต้องพยายามอืมต้องพยายามทีละนอยมันมันมันจะจะทิ้งเฉยๆ่ะมันจะต้องเห็นโทษมันน่ะเห็โทษจริงนั่นน่ะสิ่งที่เราจะทิ้งมันได้น่ะเห็นโทษมันจะแล้วก็เห็นคุณมาเมื่อเราทิ้งเหล่านี้มันเกิดประโยชน์อย่างไรเนี่ยเห็นเห็นคุณมันอย่างอย่างมากที่สุดอืมแหมคนเราน่ะ มันจะเป็นองเี้ยเมื่อจะเมื่อจะลงเมื่อจะลงเมื่อจะออกจากบ้านได้ก็เท่าแล้วเมื่อได้เรากลับมันมันจะเป็นอย่างนี้เนะเมื่อทำเลยอยากได้ยังไม่ได้ทําในคิดไประหยากได้เหมือนเวลาไปที่อื่นลงบ้านลงลงจากลงเมื่อได้กลับพอมาทุ๊บมันอยากกลับแล้วเพราะมันเลยมันเป็นเรื่องธรมรมดาของมั น, นอย่างนั้นยังได้ก็ยังไปจะไปติ่งจะของเท่านี้นนะ เรื่องเรายังไม่จบอืเรื่องของเรายังไม่จบแต่ยังไงก็ต้องทํามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดเดีย๋ยวจะไปเข้าใจกับการทำบางที่จะได้เข้าใจเแบบกันนั่งอย่งเดียวการทํางานที่มีสติในมีเดี๋ยวนี้เราทําผิด <c oughs> เดี๋ยวนี้เราคิดผิดไหมเราคิดถูกไหมในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราพวกคนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกอย่างไรไหม เราทาำเราคิดผิดไหมอิจฉาคนอื่นไหมเอาเปรียบเข า, นะาไหมเอาเปรียบเราไหมไอ้การคิดของมันถ้ามันกลางๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้พยายามคอยเคีย่ยมันออกพนะยายามรู้จับยิ่งให้ดูอย่างนั้นไม่มีใครดูจากความดีความชั่วของเราเท่าความต้องเราเข้ารูปของเราเองนะออะไรมันเบาเออกไปเรื่อยๆมันก็มันก็นเป็นศิลป์ น, นั่นนะนะ่ะ มันจะเป็นศิลมันจะเป็นสน ม, นนมาธิทั้งนั้นเดีย๋ยวสิ่งที่มันเคลื่อนไปเนี่ยยกหลายชัว่วโมงนียเนาะกาะตรบที่าไหนที่นี่ในนี่ในนี่ในนี่เป็นกรุงเทพจ้ะวันนี้จะสร้างประโยชน์โลกมากมากเ น, นี่ยไสควร หลายข้มงโอผมก็น่าประโยชมากก็คิดว่าคงจะต้องไปแสวงหามากถ้ามากาธรรมเออแล้วปภนาดูสระสังฆ์ดูบางทีมันก็ไม่แน่มันไปง่ายจิตของเราเนี่ยมันเห็นง่ายแต่มันก็ไปได้เหมือนกันอยากฝึกถึงการบวชเถอะฝึกถึงการปฏิบัติการการบวชมันไม่ยากหรอกมันยากคือการปฏิบัติ บางคนกระผมจะการบวชการบวชบวชมาทำอะไรบวชกมาปฏิบัติไปเมื่อนี่ถ้าไม่มีโอกาสสมควรโดยจงบวชกันที่ท เ, เ, นเนื่องโดยไม่บวชเนี่อการปฏิบัติเนี่ยมันมีเนี่ยมันแน่อยู่ในการปฏิบัติปฏิบัติจนในเป็นคารวะดังนั้นยังได้นี่นะอืปัญญารู้ไปถึงไหนก็ไปถึงเนิ่นเนี่ยยิ่งแ่มาบวชมาเนาะยู่เฉยเฉยมันจะดีหรอกบวชเขต้องปฏิบัติกันเก่านั่นแหละ